ส่วนทิฏฐิจริตบุคคลเนี่ยนะทิฏฐิจริตบุคคลคนที่ถือเอาแต่ความเห็นเป็นหลักไอเห็นเนี่ยมันไม่ว่าอะไรปัญหาเห็นผิดอสิเนี่ยนะถือเอาแต่ความเชื่อของตัวเองเป็นหลักนะทิฏฐิเนี่ยบางทีมแปลว่าความเชื่อก็เหมือนกันไอความเห็นก็คือความเชื่อปัญหามันเชื่อผิดๆเนี่ยสิพวกที่เชื่อผิดๆเข้าใจผิดๆพวกนี้ต้องอาศัย วิปัสนาเนี่ยนะอาศัยวิปัสนาที่เป็นทุติยะทิสาเพราะว่าวิปัสนาวิปัสนาคือความอย่างความความมีปัญญาเนี่ยเป็นตัวละอวิชชาทวนอีกครั้งหนึ่งว่าอาวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งอนาคตไม่รู้ขันทัดอายตนะอ่านะที่ประมวลโดยสัจจะ ขออภัยโดยปฏิจจสมุบาทนั้นพวกนี้ไม่รู้ปฏิจจสมุบาทอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลเป็นต้นซึ่งวิปัสนาเนี่ยคือตรงกันข้ามวิปัสนาคือปัญญาที่รู้ทุกรู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรควิปัสนาเนี่ยนะรู้ขันธาตายาตนะที่เป็นอดีตวิปัสนารู้ขันธาตอาตนะที่เป็นอนาคตรู้ขันธาตอาตนะทั้งอดีตอนาคตรู้ปฏิจจสมุบาท นทั้งอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุอนาคตผลต่อไปใครครวนสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สามั ญ, ญลักษณะว่างจากความเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาด้วยอนุภาพของปัญญาอันนี้ก็จะละอวิชาเมื่อละอวิชาที่เป็นมูลของวาตาได้อย่างนี้อะกุสโรธรรมฝ่ายอาวิชาก็ถูกละออกไปแต่พวกที่ละอวิชานี่นะพวกนี้สุขขาปฏิปทา ปฏิบัติไม่ลำบากเพราะพวกนี้ถ้าเข้าใจถูกอย่างเดียวเรียบร้อยเลยสบายมากแค่ปรับอะไรนะปรับความรู้ปรับความเข้าใจซึ่งต่างจากพวกตันหาพวกตันหานี่แม่มันคลายยากยากเนี่ยนะแต่ว่าพวกทิฏฐิจริตเนี่ยนะทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องก็พวกนี้ขอแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อรู้เมื่อเข้าใจที่ถูกต้องพวกนี้ไม่ค่อยติดอะไรอยู่แล้วมันถ้าเข้าใจถูกต้องนี่ก็ถือว่าไม่ยาก น, ยนะนะไม่ยาก พันผู้นี้ก็ปฏิบัติแบบสบายขอให้เข้าใจถูกเถอะพว้นี้พอเข้าใจถูกแค่นั้นแหละสบายเลยพว้นี้ก็บรรลุอวิชาวิราคะการคลายอาวิชชาการเพิกถอนอวิชชาปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาออกจากวัตฏะด้วยอรหัตตมรักอรหัตตผลอันเป็นที่สุดแห่งทุติยทิสาเพราะฉะนั้นการนำอัถฐเนื้อความของพระสูตรที่อยู่ในฝ่ายสังกิเลส คือตันหาและอวิชาและอัฏฐะของพระสูตรอันเป็นฝ่ายโวทานคือสมถะและวิปั ส, สนาเข้าไปสงเคราะห์ในสัจจะสี่โดยนัยะที่ยกมากล่าวเป็นตัวอย่างนี่แหละชื่อว่านันทิยาวัตไนนะนันทิยาวัตไนนัยะที่หมุนไปเหมือนดอกพุธเหมือนกันนะหมุนไปทั้งอนะโดยยกยกธรรมะสี่ประการฝ่ายกุศลสองอกุศลสองกุศลคือ สมถาวิปัสนาอากุศลคือตัณหาและอวิชชาแล้วก็มามุนแต่อย่างนี้แหละเรียกว่านันทิยาวัตนาในเราเน้นว่านันทิยาวัตนายนี่ก็ถือว่าเบาๆหน่อยนะเพราะว่ามีมูลบทแค่4มีมูลบท4ส่วนติปุคละนยะติปุคละในเนี่ยนะติปุคละนยะก็คือนยะที่มีความงดงาม3ประการมีความอติก็คือ3ใช่ไหมปุคละในตรงนี้แปลว่า ง, งาม นัยยะที่งามด้วยสภาพสามส่วนเชื่อว่าติปุคละงามยังไงงามสมส่วนก็อย่างว่านะธรรมะก็แบ่งออกเป็นสายกุศลกับอกุศลธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลคือโลภะโทสะและโมหะอั น, นี่ฝ่ายสังกิเลสความเศร้าหมองส่วนอโลภะอโทสะอโมหะอยู่ในส่วนฝ่ายโวทานที่เป็นความผ่องแผ้วเป็นฝ่ายกุศล แลก็แบง่งออกเป็น3ส่วนใช่ไหมสามคือโลพาโทสะโมหะอโลพาอโทสะโมหะโลพาโทสะโมหะฝ่ายอกุศลสังกิเลสอโลพาอโทสะโมหะฝ่ายกุศสนไฟโวทานเพราะฉะนั้นในยะที่มีลักษณะการนําอัถฐของสูตรที่เป็นฝ่ายสังกิเลสคืออักุศลมูลสาและอัถฐของสูตรที่เป็นฝ่ายโวทานคือกุศลมูลสาม ไปสงเคราะห์เข้าในสัจจซสีอย่างที่พระมหากจัยนะกล่าวไว้ว่าโยอกุสเลสมูเลหิเนติกุสเลจะกุสละมูลเลหิภูตังตถังอวิตถังติปุกขลังตังในยังอาหุสังวนาน า, นายาดนำย่อมนำอากุสลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งมูลของตนไปสู่ฝ่ายสังกิเลเนี่ยนะ และนำกุศลธรรมทั้งหลายพร้อมทั้งมูลของตนไปสู่ฝ่ายโวทานโดยประกอบสัจจะทั้งสี่อย่างที่แท้จริงไม่ผิดพลาดท่านเรียกว่าติดปุกละในจริงก็ในยะติดปุกละในก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะเอาโลภะโทสะโมหาาโะโลภะอโทสะอาโมหะมาสงเคราะห์ลงอริยสัจสี่นั่นเองเอนะเอากุศลมูลอกุศลมูลยังลงสู่อริยสัจสีนั่นแหละลักษณะของ ติปุคละนยะติปุคละนย ะ, นนะะเนี่ยนะแลก็โลภะโทสะโมหะอโลภะอะโทสะอะโมหะเนี่ยผ่านหูมาเกินร้อยครั้งแล้วน้อนะยมเล็กแววแววผ่านหูมาเป็นร้อยร้อรอบแล้วอันั้นก็โลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอโมหะมาประชุมลงอริยสัจสนี่แหละเรียกว่าติปุคละต้องเป็นแต่ต้องจริงแท้แท้จริงไม่ผิดและไม่พลาดด้วยฝ่ายอากุศลมูล อาุสลมูลที่อยู่ในฝ่ายแห่งความเศร้าหมองโลภะชื่อว่าปัทมะทิสาที่หนึ่งที่สองก็คือโทสะที่สามก็เป็นโมหะก็เรียกว่ามาจับคู่สิ่งที่เป็นข่าศึกศัตรูกันฝ่ายกุสโรมูลที่เป็นฝ่ายโวทานก็คือที่หนึ่งอโลภะที่สองโทสะที่สามก็คืออาโมหะเพราะว่าอโลภะเป็นศัตรูคู่เวนกับ โลภะเนี่ยนะอโธสันี่เป็นศัตรูคู่เวรต่อโทสอัอโมหะก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตของโมหะฝ่ายไหนดีไม่รู้อะมีอย่างหนึ่งก็ต้องกําจัดอีกอย่างหนึ่งนะเพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอโลภะในที่นี้ก็คือปฏิปักษ์ฆ่าศึกศัตรูผู้ฆ่าโลภะอโทสัอโธสาก็คือฆ่าศึกศัตรูผู้ฆ่าโทสอัอโมหะก็คือฆ่าศึกศัตรูผู้ฆ่า โมหะไม่อะโลภานี ata, ่ไม hm ่ใช่แปลแค่ว่าไม่โลภอะโทสะไม่ได้แปลว่าแค่ไม่โกรธอะโมหะไม่ได้แปลว่าแค่ไม่หลงแต่อะโลภาแปลว่าธรรมที่กําจัดความโลภอะโทสะแปลว่าธรำที่กําจัดความโกรธอะโมหะคือกำจัดทำที่กําจัดความลุ่มหลงนั้นอโลพาอโทสะอโมหะเป็นข่าศึกศัตรูต่อความโลภความโกรธและความลุ่มหลง นี่ก็มาแบ่งว่าเป็นนะนะโลอะกุศลมูลก็แบ่งออกเป็น1โลภะสองโทสะสโมหะกุศลมูลก็แบ่งออกเป็น1โลภะสองหอะโลภะสองะโทสะสอะโมหะแล้วเอากุศลมูลอะกุศลมูลเหล่านี้มาสงเคราะห์โลสั จ, จะสประการเช่นว่าอะกุศลมูล3ที่เป็นมูลแห่งวัตตะเป็นมูลแห่งสังสารวัตมูลแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละเป็นสมุทยาสัจจะ เพราะว่าเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหตุแห่งสังสารทุกข์ทั้งปวงก็มีโลภะโทสะโมห oh ะเป็นเหตุเป็นสมุทฐา น, นนะเป็นเหตุพาไปเป็นเหตุให้มุนไปเนี่ยนะถ้าไม่มีโลภะโทสะโมห oh ะสังสารวัฏไม่มีหรอกสังสารวัฏทั้งหลายกองทุกข์ทั้งหลายมีได้ก็เพราะโลภะโทสะและโมห oh ะที่เป็นรากเ ง, งาแห่งความเลวร้ายทั้งปวง รากเอ่อรากเง่าแห่งความชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะเพราะว่าอากุศ ล, ลมูลเหล่านี้เนี่ยนะเป็นรากเง่าของอากุศล อกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะอากุศลก็คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเรียกว่าอากุศลพันอากุศลรมูลเหล่านี้คือโลภะโทสะโมหะเป็นรากเหง้าแห่งอากุศลทางกายวาจาและใจอากุศลทางกายวาจาและใจเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวลุกลามทำให้เกิดความเร่าร้อนความเดือดร้อนในโลกทั้งปวง เตภูมิกรรมที่เหลือที่ที่เหลือจากที่กล่าวไปแล้วเป็นทุกขสัจจะเนี่ย น, นะทุกขสัจจะเพราะว่าทุกขสัจจะเหล่านี้เป็นผลพวงของอกุศลมูลส น, น, นะการมาพบรูปประพบอรูปประพบนี้ถือว่าเป็นผลพวงของโลภโทสะและโมหะเนี่ย น, นะเพราะมีโลภโทสะโมหะนี้แหละจึงมีการมาพูมิรูปประพูมิและอรูปประพูมิ ส่วนกุสลมูล3ประการนั้นเป็นมัคคสัจจะเพราะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แมีอโลภาอโทสะและอะโมหะเป็นสมุดฐานเป็นรากเง่าเนี่ยนะเป็นรากเง่าถ้าไม่มีอะโลภาอโทสะอะโมหะอริยมรรคก็ไม่สามารถที่จะเจริญได้เพราะอริยมรรคเกิดได้ก็เพราะอโลภาอโทสะและอะโมหะ นิพพานที่พึงบรรลุด้วยมัคคสัจจะหมายคือว่าผู้ที่เจริญอโลพาอาโทสะอะโมหะปฏิบัติอยู่ในอะโลพาอะโทสะอะโมหะบรรลุถึงพระนิพพานอันนั้นแหละพระนิพพานที่เป็นอารมณปัจจัยของอะโลภาอะโทสะอาโมหะเป็นนิโรสัจจะเป็นนิโรสัจจะสรุปว่าการเอากุศลมูลอกุศลมูลทั้ง6ประการเหล่านี้มาประมวลลงอริยสัจสี่ชื่อว่าติปุคละใน ติปุกคละในในติปุกคละในเนี่ยนะในยะที่กล่าวถึงมูลมูลบทหกประการคือกุอกสุลลมูลสามกุสลมูลสามเพื่อให้รู้จักบุคคลสามกลุ่มบุคคลสามคืออุคติตัญยูวิปัญชิตัญยูและในยะบุคคลเนี่ยนะเป็นบุคคลสามนะตรัสรู้เร็วตรัสรู้เร็วปานกลางแล้วก็พวกตรัสรู้ช้าเนี่ยนะ พวกใดเป็นทิฏฐ so. ิจริตอุทธะบุคคลพวกนี้อุคติตันยอยู่เรียกว่าทิฏฐิจริตแต่ว่าเป็นอย่างกล้ามีปัญญามากกันะทิฏฐิจริตแต่ว่าเป็นพวกมีปัญญามากพวกนี้ตรัสรู้เร็วเป็นอุคติตันยอยู่พวกทิฏฐิจริตมันท่บุคคลเป็นทิฏฐิจริตแต่ว่าช้าพวกนี้มันช้ารู้ช้าเข้าใจอะไรช้าหน่อยเรียกว่าวิปัญจิตตันญูบุคคลส่วนพวกตันหาจริตอุทธะบุคคลพวกนี้เป็นตันหาจริต แต่ว่าพวกเร็วพวกนี้ก็เป็นกลุ่มวิปัญจิตันยูส่วนพวกใดเป็นตันหาจริตมันทาบุคคลอันนี้เป็นนัยยะพวกนี้ช้ามากบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะผู้ที่อาศัยอะโลภะฝ่ายโวทานละโลภะฝ่ายสังกิเลพ้นจากวัฏะด้วยอปปนิหิตะวิโมกอันนี้ก็เป็นที่สุดของนัยยะที่หนึ่งใช่แสดงว่าการที่จะ ข้อปฏิบัติเนี่ยนะข้อปฏิบัติที่จะ ก, กําจัดความโลภ ก, ก็คือเจริญความไม่โลภความไม่โลภเพื่อกําจัดความโลภพราะการหลุดพ้นออกจากวัตฏะได้ต้องเป็นอัปปนิหิตาวิโมกอัปปนิหิตวิโมกก็คือกลมทุกขานุปัสนาพวกนี้เน้นการเจริญทุกขานุปัสนาเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกขเขาย่อมเบือน่ายในวัตฏะ ใ น, ในวัตทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัตทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นเป็นทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากวัตะนั่นเป็นทางให้บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะอันพวกที่อาศัยอะโลภะตั้งมั่นอยู่ในอโลภะเพื่อละโลภะเน้นพิเศษเจริญทุกขานุปัสสนาพวกนี้ก็ทำที่สุดแห่งทุกได้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอะไรกลุ่มที่จเจริญอปะนิหิตาวิโมก ส่วนบุคคลใดาอาศัยอะโทสะตั้งมั่นอยู่ในอะโทสะก็เรียกว่าประดิสถานอยู่ในความไม่โกรธเพื่อละโทสะพ้นจากวัตะด้วยอนิมิตตะวิโมกหรืออนิจจานุปัสสนาเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในอนิจจานุปัสสนาปฏิบัติในอนิจจานุปัสสนานะโดยมีพื้นฐานอยู่ในความไม่โกรธก็สามารถที่จะกําจัดความโกรธได้โดยประการทั้งปวง คนนี้ก็อย่างที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานนั่นเป็นทางแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะอันผู้นี้ก็อาศัยอยู่บนพื้นฐานคืออโทสะมุ่งเพื่อที่กักจักกาจัดโทสะส่วนผู้ที่อาศัยอะโมหะคือปัญญาเนี่ยนะอาศัยอะโมหะเพื่อละ โมหะเพื่อละโมหะพวกนี้ก็พ้นจากวัตตะด้วยสุญเตาวิโมกเนี่ยนะสุญญาตาวิโมกพวกนี้ก็เห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็นอนัตตาก็สามารถที่จะเบื่อหน่ายในวัตทุทุกโดยประการทั้งปวงสามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกขได้ผู้ที่อาศผู้ที่อาศอาโมหะคือดำรงมั่นอยู่ในปัญญา พวกนี้จะเห็นสุญญตะสุญญตะคือความว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตตาเนี่ยนะจะหาความเที่ยงมาจากไหนจะหาความเที่ยงจากสังขารมาแต่ไหนจะหาความสุขจากสังขารมาแต่ไหนจะหาอัตตะสาระเป็นต้นจากสังขารมาแต่ไหนพวกนี้ก็เนื่องจากว่ามีปัญญารภรู้พวกนี้ก็ปฏิบัติโดยอาศัยอะโมหะละ โมหะก็พ้นจากวัตถุทุกด้วยสุญญาวิโมกข์ดันั้นการนำอัฏฐะของพระสูตรที่อยู่ฝ่ายสังกิเลสคืออกุศลมูลสอัฏฐะของพระสูตรที่อยู่ฝ่ายโวทานคือกุศลมูลสการเอาโวทานเอาสังกิเลตเนี่ยนะสังกิเลส3โวทานสมาสงเคราะห์ลงในสัจจะสดังกล่าวนี่แหละเรียกว่าเตปุกขละเรียกว่านายะ ที่ประกอบด้วยความงดงาม3อย่างเนี่ยนะสอย่างเรียกว่าติปุคละในติปุคละในพวกนี้ก็ใช้มูลบทเท่าไหร่ใช้มูลบท6ประการเนี่ยนะคืออักุศลมูลสและกุศลมูล3อกุศลมูลสมคือโลภะโทสะโมหะกุศลมูลสคืออัโลภะอโทสะและอโมหะส่วนนในยะ นัยยะที่สมคือสีหวิกีริตาในในัยยะการเยิ้งกลายดุจราชสีว่ากันเถะนะแปลภาษาไทยว่าเยิ้งกลายดุจราชสีเรกว่าลีลางดงามดุจราชสีหมายคำว่าลีลาการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าพูดเช่นกับราชสีมีอยู่นัยยะนี้เกว่านยะแห่งการแสดง ล, ลีลางดงามปานราชสีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าสีหวิกีริตาใน ลักษณะของสีหวิกีริตะในเนี่ยนะคือการนำอัถะของสูตรที่อยู่ในฝ่ายของสังกิเลสคือวิปปลาสี่และอัถะของสูตรที่อยู่ในฝ่ายโวทานคืออินรีสได้แก่สติสมาธิวิริยะปัญญาเข้าไปสงเคราะห์ในสัจจะสหมายคือว่าเอาวิปปลาสี่เอาอินสีสี่สงเคราะห์ลงในสัจจะสีนี่แหละชื่อว่าสีหวิกีริตสีหวิกีริตะใน นยะนี้มีมูลบทอยู่8ประการมูลบท8คืออะไรวิปัสสีและอินรีส น, นะสรุปว่าเอาวิปสัสสีเอาอินรีส ส, สงเคราะห์ในสัจจะสชื่อว่าสีหวิกีริตะในอย่างที่พระมหากรเจนะกล่าวไว้ในนิเทศว่าโยเนติวิปาเสหิกิเลเสอินริเยหิสัทธมเมเอตังในยังนยะวิถูสีหวิกิริตังอาหุ สังวนนานยะใดสังวนนาแปลว่าการขยายความการอธิบายขยายความนยะใดย่อมนำกิเลสธธ ร, รมทั้งหลายไปด้วยวิปราสีและนำการปฏิบัติปฏิเวทเวทำนะปฏิบัติทำปฏิเวทรมทั้งหลายไปด้วยอินสีมีศรัทธาเป็นต้นด้วยการประกอบในสัจจะสี่บัณฑิตผู้รู้นยะเรียกนยะนั้นว่าสีหวิกีลิตะใน สรุปว่าเอาวิปปลาตเอาอินทรีย์นี่แหละประชุมลงอริยสัจสีได้เรียกว่าสีหาวิกิลิตาในในวิปปลาต์สีมีอะไรบ้างวิปปลาศ์ีวิปปลาต์ก็คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่างามในสิ่งที่จริงๆแล้วไม่งามความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสุขในสิ่งที่ความเป็นจริงแล้วมันทุกข์เรียกว่าพวกนี้วิปปลาต์นี้เกิดจากอะไรเกิดจากตัณหา ก็ตัวแรกก็สุภวิปลาราข้อสองก็สุขวิปลาราเข้าใจคลาดเคลื่อนว่างามจริงๆแล้วมันไม่งามนะเขาจะมาจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์ไปสำคัญว่าเป็นสุขเข้าเนี่ยนะอันนี้เกิดจากตัญหานะสุภวิปลารากับสุขวิปลารมีตัญหาเป็นสมุทฐานส่วนความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตานี่เกิดจากอวิชชานิจจากวิปลาสกับอัตตะวิปลาสนี่เกิดจากความโง่ความเคล้าความไม่รู้จริงในสัจจะเกิดจากการไม่ทำปริญญาไม่ละไม่ทำให้แจ้งเป็นต้นนั้นแลลวก็เลยทำให้เข้าใจผิดว่าเที่ยงทั้งๆ ท, ที่มันไม่ได้เที่ยงอะไรเข้าใจผิดว่ามันเป็นอัตตาทั้งๆ ท, ที่ความจริงไม่ได้มีอัตตาตัวตนอะไรอยู่ในนั้นหรอกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะ การบูชาที่อิงอาศัยวัตตะได้แก่วิปลาสพร้อมด้วยธรรมทั้งหลายที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งวิปลาสนั้นการบูชาที่อิงอาศัยพระนิพพานได้แก่สติสมาธิวิริยะปัญญาหรือว่าสติปทานสี่พร้อมธรรมทั้งหลายที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งธรรมนี้อันนี้เป็นอีกนหนึ่งฝ่ายสังกิเลสเนี่ยนะสังกิเลสคือวิปลาสสี่ใช่ฝ่ายโวทานคืออินสีสี ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่างามในสิ่งที่ไม่งามอันนี้เชื่อว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์กลุ่มที่สความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงกลุ่มที่4ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นอัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตานั้นมีอยู่4ี่กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1สุภาพวิปลาสกลุ่มที่สองสุขาวิปลาสกลุ่มที่สนิจจาวิปลาสกลุ่มที่ส อัตวิปลาสสุภาพวิปลาสสุขวิปลาสอันนี้เกิดจากปัญหานิจะวิปลาสกับอัตวิปลาสเกิดจากอวิชชานะสรุปว่าวิปลาสมีอยู่สี่กลุ่มด้วยกันส่วนโวธานความผ่องแพ้วความหมดจดเนี่ยนะความหมดจดมีอยู่สี่อย่างคือสตินซีสมาธินซีวิริยินซีและปัญญินซี สตินซีก็คือความเข้าสตินซีนี้ต้องบวกกับความเข้าใจที่ถูกต้องบวกกับความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่งามก็แล้ว ก, ก็จริงๆอ่ะนะของนั่นมันก็ไม่งามด้วยก็คือเข้าใจความเป็นจริงว่าไม่งามในสิ่งที่ไม่งามให้แปลกนะแสดงว่าคนเนี่ยพื้นฐานไม่ต้องการจะรู้ความจริงะนะแค่ยอมรับความจริงว่ามันอสุภะเท่านั้นแหละใช้ได้แล้วล่ะไม่เบลอว่ามันสุภะอ่ะนะคือจริงๆแล้วมันเป็น อสุภะไม่เข้าใจผิดและเข้าใจถูกต้องเห็นถูกต้องตามนั้นแหละอันนี้เรียกว่าสติน4อันนี้แล้วเป็นกายานุปัสนาสติปทานนี่เป็นกลุ่มที่1งอันกลุ่มที่1มีสติทำความเห็นให้ถูกต้องหรืออนนความเห็นให้ถูกต้องว่าไม่งามตั้งมั่นอยู่ในกายานุปัสนาสติปทานกลุ่มที่2สมาธิน4กับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่มันทุกข์ มันทุกข์จริงไหมล่ะมันก็ทุกข์จริงๆนั่นแหละแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในเวทนานุปัสนาสติปทานพวกเวทนานุปัสนาสติปทานเนี่ยนะพวกนี้อาศัยอยู่ในสมาธินีแล้วก็ละวิปปะว่าเป็นสุขวิปปะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นทุกข์จริงๆนั่นแหละส่วนวิริยินทรีย์ต้องบวกกับความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อไรเมื่อไร่ไรก็เหมือนเดิมใช่ไหม จริงมันไม่เหมือนเดิมก็ยังเข้าใจว่ามันเหมือนเดิมนี่นะนะอันวิริยินทรีบวกกับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงและจิตตานุปัสนาสติปฐานอันนี้เป็นกลุ่มที่สามพันกลุ่มที่สนั้นเป็นวิริยินทรีเป็น อ, อันนิจจานุปัสนาเนี่ยน ะ, อะขออภัยเป็นจิตตานุปัสนาแล้วก็เป็นความเห็นที่ถูกต้องโดยความเป็นของไม่เที่ยง อนนส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ปัญญีสีต้องบวกกับความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่ใช่อัตตาในสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาและเจริญธรรมานุปัสนาสติปทานนี้เป็นกลุ่มที่4แสดงว่าหมูสัตว์ทั้งหลายนี่เมาจริงๆนะเนีเบลอมากนะวิปริตวิปริต ผิดพลาดผิดเพี้ยนไปหมดเลยว่าปกติจริงๆแล้วความจริงแต่ไหนแต่ไรมามันก็ไม่งามแต่ก็ไปเข้าใจว่างามก็เพราะไม่เจริญกายานุปัสนาโดยตามความเป็นจริงแล้วเมื่อไหรเมื่อไหร่มันก็ทุกแต่เข้าใจว่าเป็นสุขเพราะไม่เจริญเวทนานุปัสนาโดยความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่ที่ไปเข้าใจว่ามันเที่ยงก็เพราะไม่เจริญ จิตตานุปัสสนาเมื่อใดเมื่อใดมันก็เป็นอนัตตาอยู่วันยังคำ่ำแต่ก็เนื่องจากไม่เจริญธรรมานุปัสสนาที่เป็นอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้ที่เขาไม่เจริญกายานุปัสสนาเพราะเขาขาดสติปะอสตินรีที่เขาไม่เจริญเวทนานุปัสสนาเพราะเขาไม่มีสมาธินรีที่เขาไม่เจริญจิตตานุปัสสนาเพราะเขาไม่มีวิริยนรีที่เขาไม่เจริญธรรมานุปัสสนาก็เพราะเขาไม่มี ปัญญีนีเมื่อเขาไม่มีสตินีก็ก็อะไรก็ตรงกันข้ามเมื่อไม่มีสตินีก็ไปเข้าใจว่างามเมื่อไม่มีสมาธินีก็ไปเข้าใจว่าสุขเมื่อไม่มีวิริยีีก็ไปเข้าใจว่าเที่ยงเมื่อไม่มีปัญญีนีก็เลยเข้าใจว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะวิปรลาดทั้งหลายตัณหาและอวิชชาก็ครอบงามและท่วมทับอยู่นั่นแหละ ในวิปลาสีนะาเนี่ยนะวิปลาสเนี่ยมันเป็นมูลเหตุของวัตตะมันวิปลาสจึงเป็นสมุทยสัจจะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เนี่ยนะเพราะความหลงผิดความเข้าใจผิดแท้ๆเลยแหละเป็นเหตุให้ทุกข์นะนะอย่างใครที่หลงทางไงไอหลงทางแล้วไปดีไม่ค่อมีหรอกานะนะโดยมากแล้วหลงก็ไปเดือดร้อนนั่นะแหละเพรา ะ, ะนั้นไอความลุ่มหลงเนี่ยความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดพลาดเนี่ยเป็นสาเหตุของสารพัดปัญหา นะเข้าใจว่าไม่มีอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่มันมีอะไรเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นสาเหตุแห่งความเดือดร้อนวัตะในภูมิสามเป็นทุกขสัจจะอินรีสสัมมาทัสนะสีสัมมาทัสนะ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สีก็เห็นโดยความเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาสุภาเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าสัมมาทัสนะสแล้วก็กายานุปัสนาสติปทานเป็นต้นเป็นมขุขสัจจะอินสีสีคืออะไร อินทรีสี c, คือสตินีสมาธินีวิริยินีปัญญีสัมมาทัศน์ความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นโดยเห็นโดยอะไรเห็นโดยอสุภะเห็นโดยทุกขะเห็นโดยอนิจจะเห็นโดยอนัตตะก า, า, ารเห็นโดยอสุภะอนิจจะทุกขะอนัตตะนี่เรียกว่าสัมมาทัศนะเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้อง นะแสดงว่าพื้นฐานรวมๆแล้วสัตว์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องเห็นเคลื่อนจากความเป็นจริงนะั้นไอความอิน uh, สีสี่ความเข้าใจที่ถูกต้องสี่ประการสติปัฏฐานสีประการเป็นมขคสัจจะผู้ปฏิบัติอยู่ในอินสีสี่สัมมาทัสนะสีสติปัฏฐานสี่เหล่านี้เพึงบรรลุพระนิพพานพระนิพพานอนนั้นเป็นนิโรสัจจะ ในสีหวิกีลิตะในได้มูลบท8ประการมูลบท8ก็คือวิปสัสสีสติปทานสในวิปสัสสีสติปทานสีก็ต้องคู่กับบุคคลสบุคคลสี่บุคคลคนราคะจริตคนโทสะจริญคนทิฏฐิจริตมันทะก็คือพวกอย่างอย่างอ่อนกับทิฏฐิจริตอุทตะอย่างกล้าโวทานอนนนะโวทานปัก ปัจขะที่สาธรรม4และสังกิเลสเสังกิเลสะปัคขธรรมสีตามลำดับย่อมพ้นจากวัตตะด้วยมรค4ี่ผลสีอันเป็นที่สุดแห่งทิศ4ี่หมายคําว่าปฏิบัติอยู่ใน อ, อ, อินรีสีสัมมาทัศนาสีสติปัฐาน4เพื่อละวิปลาสทั้ง4ประการก็หลุดพ้นจากสังสารวัต ด, ด้วยอรยิยมรค4ี่อรยิยผลสีอันเป็นที่สุด พันการที่เราเอาสังกิเลส4ประการโวทานสรวมเป็นมูลบท8ประชุมสงเคราะห์ลงในอริยสัจสแสดงตามบุคคล4กลุ่มได้อย่างนี้ชื่อว่าสีหวิกีลิตะในเนี่ยนะชื่อว่าสีหวิกีลิตะในยะด้วยกันส่วนที่สาโลจนะในเนี่ยนะที่สาก็คือเรียกว่าดูที่สาธรรมนะก็เรียกว่าทบทวนนั่นแหละทบทวน ที่สาโลที่สาอาโลจติเอเตนาติที่สาโลจโนย่อมพิจารณาดูที่สาธรรม18ประการดูทั้งอะไรนะดูทั้ง1ิทิศใช่ไหดูทิศสิทิศไอทิศเหล่านั้นก็แบ่งเป็นกุศลกุศลเท่าไหร่กุศล9กอกุศล9ตามที่แสดงมาแล้วในอัถทนัย3มข้างต้น น, นะสวิธีแรกเชื่อว่าที่สาโลจนะในมีอะไรบ้างมูลบท18มีอะไร นันทิยาวัตานายมีสติเปุกคลระไนมี6สีหาวิกิริตาไนมี8นันทิยาวัตานายมีสมีอะไรบ้างตันหาอาวิชชาสมถะวิปัสนาสติตปุกคลระไนมี6คืออโลภาอะโทสะอโมหะโลภาโทสะโมหะสีหาวิกิริตาไนมี8คือวิปัลลาสและอินทรีสี่การที่เอาอมูลบท18 นะการเรียกเหมือนกับว่าการกลับไปดูทบทวนทั้ง18ดูทิศทั้ง18ทิศเหล่านั้นแหละเรียกว่าทิสาโลจนะในเรียกว่าโลจนะในก็คือไวยะที่ดูทิศทั้ง18ทิศนั่นแหละนะดูทั้ง18กลุ่มนะทิศก็คือกลุ่มสรุปว่าเวยากรเนโสหิเยกุสลากุสลาตหิงตหิงวุตตามนซาโวโลกยะเตตังคุทิศาโลจณังอาหุ กุศลและอกุศลธรรมที่กล่าวไว้ในวยยกรนะวยยการณะคือพระธรรมเนี่ยนะในบาลีนั้นๆนย่อมถูกพิจารณาด้วยใจท่านเรียกการพิจารณากุศลอกุศลด้วยใจนั้นว่าทิสาโลจนะเรียกว่าย้อนกลับไปทบทวนดูทั้ง18มูลบทพิจารณาที่สาธรรมทั้ง18ประการส่วนสุดท้ายอังกุสะในเนี่ยนะอังกุษะในก็คือนัยยะที่นำ ที่สาธรรมทั้งหลายที่ดูมาแล้วด้วยที่สาโลจนะในเป็นไปในอัถไนสามอย่างข้างต้นคือในในอะไรอัถนสามก็คือนันทิยาวตติปุคราศีหาวิกิริตะดูด้วยที่สาโลจนะในเสร็จแล้วก็ดึงนะดดการเกี่ยวดึงวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องการไปสู่สถานที่ต้องการด้วยแต่ขอหมายความว่าเข้าใจเสร็จแล้วก็ดึงไปอย่างที่ตัวเองดึงไปอ่ะเหมือนกับดึงด้วยแต่ขอหรือคาดเอามาเลย ดึงออกมาเลยอันนี้แหละเรียกว่าอังกุสะในเพราะอะไรดึงเอาไปใช่อย่างที่ตัวเองต้องการเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ศึกษาพระธรรมแบบกว้างขวางแล้วก็ผู้ที่จะแสดงพระไตรปิฎกเป็นต้นเนี่ยเมื่อเขาทบทวนไครครดูตามนั้นก็ดึงเอาไปพูดเอาไปแสดงได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอันนี้แหละเรียกว่าอังกุสะในเพราะฉะนั้นพระมหากาจยนะท่านกล่าวว่าโอโลเกตวาท่สาโลเจเนนะอุขิปิ ย, ยังสมาเนติ สัพเพกุศลากุศเลอายังนโยอังกุโซนามะบุคคลพิจารณาที่สาธรรมทั้ง18ดทิศ ด, ด้วยที่สาโลจนะในแล้วก็ยกออกจากสูตรนำกุศลอกุศลทั้งปวงไปเชื่อมต่อกันด้วยดีชื่อว่าอังกุสะในก็แปลว่าเป็นการประมวลเป็นการเชื่อมดึงเรื่องไปอย่างที่ตัวตามที่ต้องการเป็นไปตามพระธรรมเนี่ยนะ ที่สาโลจนะในกับอังกุสะในในที่สี่กับนิยะที่ห้าทั้งสองนี้ไม่มีการพณ น, นาอัตตะไม่มีการอธิบายอัตตะเพิ่มเติมพิเศษต่างหากเพียงแต่เป็นเครื่องพิจารณาดูที่สาธรรมเหล่านั้นด้วยจิตแล้วนําไปด้วยจิตนพิจารณาด้วย่เรียกว่าตรวจสอบตรวจสอบแล้วก็ดึงไปอย่างที่ตัวเองต้องการในอัตไนาสามข้างต้นจึงเรียกว่าโวหารัยหรือกรรมยัย เพราะเป็นเพียงโวหารคือการดูและและ้วก็เป็นเพียงโวหารคือการนำไปและกิริยาอาการคือการดูการนำไปเท่านั้นเป็นเพียงโวหารเป็นเพียงกิริยาอาการแห่งการดูและการนำไปเพราะฉะนั้นที่สาโลจนะในกับ ан อ, อังกุสะในนั้นไม่ได้มีความพิเศษมากนะักแปลนะจะว่าไม่พิเศกก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคนที่จะดูที่สาโลจนะในแล้วก็เข้าใจอั ง, อ ง, องกุสะในดีแสดงว่า นั่นที่ยาวะตะเตปุคละสีห์วิกิลิตะจะต้องรอดรู้เป็นเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นนัยยะนัยยะแบบสรุปส่วนนัยยะแบบพิสดารก็คงตอนบ่าย